พระธรรมเทศนาแผ่นที่แปดสิบเจ็ดลำดับที่ยี่สิบสามโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่9ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าชีวิตเหมือนน้ำค้างใบบัว กระถินวัดของเราก็วันที่แปะพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดเป็นกระถินพระราชทานนะวันนี้หลวงพ่อพูดเป็นครั้งแรกให้กับคณะทายาิโยมลูกหลานได้รับทราบเพราะหนังสือหมายกำหนดการออกมาแล้วนะนี่ขึ้นยังขึ้นป้ายนั่นแนละแต่และเขาก็ลงทางเฟส พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่ถึงอย่างไงงานกถินพระราชทานในคราวนี้ครั้งนี้จะมอบให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งคงคงจะไม่ได้ละเพราะฉะนั้นขอให้ศรัทธาญาติโยมพี่น้องลูกหลานทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกศิษย์ลูกหา ของหลวงพ่อจงช่วยๆกันคิดนะอันดับแรกหลวงพ่อเป็นห่วงเรื่องสถานที่จอดรถแต่อีกสักหน่อยให้มันหมดฝนซะ ก, ก่อนให้มันหมดหน้าฝนสักหน่อยยังค่อยปรับสถานที่ค่อยๆดูกันแต่คิดๆไว้แต่นั่นเนิ่นก็ดีเหมือนกันนะว่าพวกเราจะทําอะไรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปควรจะประสานเกี่ยวข้องกับผู้ใดเพราะฉนวนราชการ อันนี้เป็นงานกระถินพระราชท า, านพระองค์ท่านเสด็จพระองค์โสมท่านจ ะ, จะเสด็จอย่างหมายกำหนดการออกมาส4บสี่ศูนศูนบ่ายสิบหศูนูนบ่ายสี่โงบ่ายสี่มงเย็นพระองค์จะเด็จถึงวัดเราแต่วัด วันนั้นเขาคงจะทำพิธีตั้งแต่เช้านั่นนะทำบุญทำทานตามปกติปีน้องประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องแต่ส่วนรายละเอียดเดี๋ยวพวกเราปรึกษาปรารถกันอีกที่นึง่งอันนี้เพียงแต่รับรู้รับทราบทวนหน้ากันก่อนพวกเราพวกเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันชุมชนเดียวกันมีอะไรเกิดขึ้นพวกเราจะต้องปรึกษาปรารบกัน ช่วยกันยังไงแต่สำหรับหลวงพอ่อหลวงพอ่อยู่มากแล้วนะลูกหลานนะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่แล้วจะให้คิดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้คงจะมอบให้กับลูกศิษย์ลูกหาคทถาญาติโยมช่วยๆกันคิดช่วยๆกันทำช่วยๆกันทำอะไรสิให้มันเกิดประโยชน์ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุด หลวงพ่อมอบให้กับพวกเราท่านทั้งหลายช่วยกันคิดนะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2558หลวงพ่อจะได้ไปแสดงธรรมนะคณะทายญาติโยมลูกหลานเป็นวันเกิดของหลวงปู่วัดโพี่สมพรหลวงพ่อเคยไปทุกปีนั่นนะไปแสดงธรรมที่ ปีนี้หลวงปู่อายุร้อยสี่ปีละปีนี่ร้อยสี่ปีแล้วก็พันสาเท่าไหรมันเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่หรือแปดสิบสี่หลวงพ่อก็จำตัวเลขไม่ได้แปดสิบสี่ครับ 84, 84, 84. เนาะพันษาแปดสิบสี่ร้อยสี่ปีหลวงปู่ของเราปู่โปปูป่วัดโพแต่นี้ท่านพระองค์ องค์ท่านก็อยู่ที่โรงพยาบาล น, นั่นแหละนอนอยู่ในห้องแล้วก็หลวงพ่อไปคราวนี้ก็คงคิดว่าคงจะไม่เอาเอ็มปีสามไปแจกเพราะแจกทุกปีไปปีไหนก็แจกปีนั้นเดี๋ยวปีนี้งดไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะล้นตลาดแจกทุกปีแล้วหนมันจะสินค้ามันจะ เฟอ้อเกินไปสินค้าเฟอ้อมันก็ไม่มันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันล้นตลาดเไม่รู้ว่าแจกแบบไม่มีคุณค่าแต่พวกเราที่แจกก็คิดว่ามันมีคุณค่าแต่ผู้ที่รับไปอาจแคมองหาคุณค่าไม่ได้เจกลับไปแล้วก็เขาได้ให้มาแใหมาอย่างนั้นแนหะทิ้งๆขวางๆไป ลุงพ่อกลัวจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราต้องจะไปเห็นแก่การแจกอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะการแจกมันก็แจกเงินชัดๆนะนะไม่ใช่แจกอย่างอื่นมันก็แจกทนาบัตรนะนะเพราะว่า m อ3พสาก็ดีหนังสือก็ดีไม่ใช่ได้มาแบบไ ม, ไม่มีการจ่ายมันต้องจ่ายแจกแจกจ่ายแต่ให้ไป แต่ให้ไปฮะให้ด้วยน้ำใจเราไม่ได้คิดคุณค่าไม่ได้คิดว่าเป็นเงินค่าเท่าไหร่แต่ว่าเราเพียงแต่ว่าผู้นำไปรับไปแล้วก็ไปฟังเท่านั้นละ่ะเราคิดว่าเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทเพราะเราก็ส่วนหนึ่ง เป็นลูกศิษย์พระพระุทธเจ้าลูกศิษย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์จากนั้นเราก็ได้เข้าไปศึกษามาศึกษาในหลักธรรมคำสอนมาฝังตัวฝึกฝนอุปนิสัยปัจจัยมาถึงป่านนี้ละชีวิตทั้งชีวิตแต่เราก็คิดว่าน่าจะถ่ายเทถ่ายทอดให้กับ พวกลูกศิษย์ลูกหานน้องๆทั้งหลายให้เป็นแนวความคิดเมื่อท่านทั้งหลายนําไปฟังนําไปศึกษาไปฟังดูสิมีความคิดเห็นอย่างไงไปเอาไปฟังหลวงพ่อคิดว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ฟังได้ศึกษาพวกลูกหลานน้องนุ่งทั้งหลายลูกๆทั้งหลายหลานๆทั้งหลายเกิดมาใหญ่ที่หลัง หลวงพ่อก็คิดเพียงเท่านั้นะไม่ได้คิดมุ่งหวังอย่างอื่นเพียงแต่ว่าเราได้คุณค่าได้ดื่มน้ำอันใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเราได้ดื่มน้ำใช้อันบริสุทธิ์แล้วก็ควรจะแนะนำให้คนอื่นๆได้รับ ได้ดื่มน้ําที่อันใสบริสุทธิ์เพื่อชําระกายว่าใจาใจของพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยแต่หลวงพ่อข้าวนี่วันนี้หลวงพ่อไม่เอาไปแจกเพราะว่าแจกมาหลายครั้งแล้วแล้วก็พี่น้องเมืองอุดรทั้งนั้นดูดูดดก็เหมือนหน้าเก่าๆแต่วันนี้ก็คงจะมีคนหน้าใหม่มาตากักจากต่างจังหวัดก็คงจะมีมีมากอยู่ลูกศิษย์ลูกหาว องค์ท่านหลวงปู่มากแต่เอาเถอะลูกศิษย์รุ่นนั้นก็หลวงพอ่อคิดว่าเคยแจกพราเราเคยแจกที่วัดโพธิสมพรก็คงไม่กี่คนที่ที่ไม่ได้รับะหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อคิดว่านะเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อจึงไม่เอาไม่เอาเอมพสาไม่เอานังสือไปแจกเป็นดาวไปแสดงธรรมก็คงไปแสดงความคิดเห็น แต่หลวงพ่อเองก็ไม่ได้เข้าไปใกล้องค์หลวงปู่เท่าไหร่เพราะว่าครูบาอาจารย์ระดับหลวงปู่แล้วนะ่ะลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็มากถ้าเราเข้าไปใกล่มากเข้าไปนั้นมากเดี๋ยวก็จะไปคนบางคนก็จะหาว่าไปจุน จ, จานพุ่นไหวเขาคงไม่สบายใจเราก็น่แต่มีอะไรหลวงปู่จะให้เรียกใช้อะไรมีอะไรน เราก็ยินดีให้ไปเข้าไปสนับสนุนสมัยก่อนที่ท่านจะทําโรงพยาบาล น, นั้นมีอะไรกูบาหมอที่นั้นก็เรียกมาหลวงพ่อก็เข้าไปร่วมสมทบเข้าร่วมไปพิจารณาร่วมเข้าไปเกี่ยวข้องกับองค์หลวงปูบ่บอยบ่อยคล้งเหมือนกันแต่พอช่วงหลังๆหลว ง, งพ่อก็อยู่ได้ห่าง เพราะว่าหลวงปู่ของอายุมากแล้วเราจะไปเยี่ยมเยียนไปกราบคารวะท่านบ่อยมากก็จะไงจงไงอยู่มีแต่ถามไถท่ทุกครั้งไปไปไงหลวงปู่พอเราไปแล้วก็เราก็ช่วยท่านไม่ได้อีกเหมือนกันแต่ตามไม่จริงกขบกไปนั่นแะถ้ามีโอกาสเขาไปกราบเยี่ยมท่านอย่างน้อยก็เพื่อความบูปูลแต่ว่าในจิตใจของเรา เราก็การาบคารวะหลวงปู่อยู่พอหลวงปู่เป็นครูบาอาจารย์ที่องค์หลวงตาก็ให้ความ เ, เปิดไกวิสศาสะกับหลวงปู่เป็นกันเองเพราะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเลนในเมื่อพ่อของเราให้ความ เ, เป็นกันเองก็แสดงว่าท่านยอมรับกันพวกเราก็กราบคารวะครูบาอาจารย์ ท, ทุกองค์นะแต่วันพอนั้นวันนี้หลวงพ่อเป็นวันหนึ่งครบรอบปีครบรอบร้อยสปีของหลวงปู่หลวงพ่อจะ ไ, ไปแสดงธรรมบ่ายสองโมงบ่ายสองโมงแล้วก็ไปถึงบ่ายสามโมงไปบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสองโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายสามโมงครึ่ง ให้เวลาแสดงธรรมหนึ่งชั่วโมงตามตำตามกำหนดการที่ที่ทนทีมนต์มานะนันี้พูดตามกำหนดนะกาหนดการนี่แหละสรุปแล้วก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ถึงจะมีสื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับของลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าขนาดไหนก็าตาม ผลที่สุดเนี่ยร่างกายสังขารของท่านก็โรยไปตา ม, มสังขารที่พระพุทธเจ้าอยู่ในพระไตรปิฎกท่านบอกว่าถ้าย่อนย่อนร้อยปีลงมาเนี่ยแปลว่าอายุแก่มากแล้วหย่อนลุมานะแต่ถ้าว่าเกินร้อยปีเนี่ยอยู่ในขั้นชลาชลาภาพช่วยตนเองไม่ได้ต้องให้ผู้อื่น พยุงตอนให้ผู้อื่นช่วยจึงจะอยู่ได้เนี่แหละร่างกายของเราเนี่ยสรุปแล้วก็คือถึงจุดจบไ ม, ไม่มีใครที่จะเกินไปได้อย่างที่หลวงพ่อว่าเแต่ที่หลวงพ่อพูดว่าแกนะเจ็บนะตายนะเหมือนเอาความตายมาขู่กันแต่ตามไม่จริงก็รู่กายกายนั่นแหละเหมือนหลวงพ่อพูดนะเอาไม้เลียวมา ถ้าลิงตัวไหนที่เขาเอามาเลี้ยงไว้นะ่ะมันหญิงเกีียวใส่โคนบ้างกระโดดหน้ากระโดดหลังมันดุนะเจ้าของจับไม้เลียวมาเกะเคาะกับพื้นจ้ะเอาไม้เลี้ยวมาเคาะกับ พ, พื้นปกัปกปกัปกปักปัก <laughs> ลิงก็จะหยบลงไปหน่อยหนึง่งอันนี้ก็เหมือนกันนะ พี่น้องประชาชนชัตธาญาติโยมนะอย่าคึกขนองเกินไปอย่าลืมตัวเด้อเกินไปนะชีวิตเนี่ยมันมันเหมือนน้ําค้างใบบัวนะไม่รู้จะเร้งตกลงเมื่อไหร่ไม่มีใครรับรองรับประกันได้เนีพร้อมที่จะตกได้ทุกโอกาสในทุกเวลาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทางหลายสิ่งไหนคือคุณงามความดีในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ที่ท่านแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเนอะอันนี้พวกเราก็ได้ยินมามากต่อมากได้ฟังมามากต่อมากทาไม่ได้ยินได้ฟังกันนะฟังศึกษาหนังสือทุกวันนี้สือ่อสื่อต่างๆทุกวันนี้มีมากที่พวกเราจะต้องได้เรียนรู้ได้ศึกษาจะฟังหรือไม่ฟังสนใจหรือไม่สนใจแต่บางคนกนสนใจเรื่องหมอ ร้องหม้อรำเรื่องรำทำเพลงเรื่องหนังเรื่องละคร เ, เรื่องธรรมมาหาเลี้ยงชีพสนใจใส่ใจแต่ว่าเรื่องเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอาหารทางด้านจิตใจดูดูแล้วเป็นประเด็นใกล้ไกลไปจะไไม่ให้ความสนใจอันนี้ก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันนะคณะชาติไ ท, ทยญาติโยมลูกหลานควรจะใส่ใจควรจะอาา่านควรจะศึกษา แล้วก็ให้ประพฤติปฏิบัติด้วยผู้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นแนหะจึงจะรู้ได้ถ้าไม่ปฏิบัติไม่รู้ไม่ได้นะทีะ่ไแต่อ่านไปศึกษาเฉยๆอย่างสงสัยวันอย่างค่ำนะั่นสงสัยตลอดไปอีกต่างหากถามว่าผู้ปฏิบัติแล้วเนะี่ยจึงจะรู้ได้เพราะทําคําสอนของพระพุทธเจ้าปัจจัตังนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ถ้าไม่ปฏิบัติจะไม่รู้ ศึกษาเฉยๆก็ยังไม่รู้นะรู้อยู่แต่ไม่รู้นะยังไม่ซึงนะ้งแต่พวกเราได้ศึกษาด้วยปฏิบัติ ด, ด้วยนั่งภาวนาด้วยจิตสงบด้วยนั่นแหละซึ้งแล้วต่รู้เออทาไมพระพุทธเจ้าพ่อแม่ผูบายอาจารย์ของเราเนี่ฉลาดบะเราเพิ่งมารู้มาเห็นเองนะัอันนี้เราจะรู้ได้โดยตนเองนะตอนนี้ไปรับพรนอนุ โ, นโมทนาให้